หลวงปู่ก็สอนโยมไปเยอะแยะสมัยนันน้นโยมบางคนหนึ่งชื่อลุงสิริพ่อน้าเก็เก่งลุงสิริเป็นญาติญาติกับหลวงปู่อยู่ทางพนมรุง้งเนเ่ที่็ตายแล้วไปนั่งคุยไอ้แก่ถามว่าหลวงปู่สอนอะไรให้ลุงอ่ะสอนพิจารณา ก, กายเนะยเห็นไหมใครว่าหลวงปู่ดูสอนดูจิตอย่างเดียว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 เวลาสอนท่านไม่ได้สอนอันเดียวพิสูจทั้งหลายยืนอยู่รู้ชัดว่ายืนอยู่จบแล้วไม่เทศต่อพิสูจ์ยืนจนขาแข็งตายเลยยืนจนล้มกลิ้งอยู่กลางพื้นยืนไม่ได้ใชท่านสอนสอนให้เห็นรูปที่ยืนอยู่ก็ไม่อยู่ไม่นานนะยืนนิ่งๆได้ไมมัยืนนิ่งๆไม่ได้เดี๋ยวก็เดินไม่เดินก็นั่งนั่งอยู่ถ้าไม่ลุกขึ้นยืนก็นอนหมหมุนเวียนไปรูปไม่เที่ยง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 ออกจากสมาธิแล้วให้รู้กายให้รู้ใจรู้สาอไปเลยไม่เว้นวักนะนี่ออกจากสมาธิมาสามชั่วโมงแล้วกลับมาดูเสียเวลาออกแล้วดูเลยเห็นเลยออกจากสมาธิใจโลง่งดูใจโลง่งโล่ไปสักพักใจไม่โล่งแล้วคือจะกล่าวขอกันบ้านพวกความก้าวหน้าในทางให้เป็นหมดแล้วนะมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุ บ, บันจะเอาอะไรคือขาเจ้าค่ะ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 รู้สึกตัวหรือเปล่าเจ้าค่ะยังเคยหลงก็ไม่หลงนานนะเคยทำผิดศีลหน้าตาเฉยก็ชกจะทำไม่ได้เจ้าค่ะใช่ไหมชใช่ค่ะ<ค>เออเ ห, ห็นไหมมันดีขึ้นสาราพัดออกนะใครทำไปหนะ้าจิตใจเคยจะฟุงฟ้งฟุ้งฟุ้งนะตอนนี้จิตใจมเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวไหมศีลก็มีสมาธิก็เริ่มมีขึ้นมานะไม่เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงในกายในใจตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วหน้าที่ต่อไปนี้ก็คือดูบ่อย ดูบ่อยๆดูกายดูใจเขาทางานไปเรื่อยจนเ้าพอเลยเหมือนกินข้าวนะกินข้าวไม่ต้องถามว่าจะกินกี่นาทีกินไปจนอิ่มภาวนาก็เหมือนกันภาวนาไปจนพอใจมันพอเมื่อไหร่เม่อตัดเมื่อนั้นแหะยังไม่ตัดก็ยังไม่พอแต่ภาวนาไม่ได้ทําด้วยความอยากอย่าทำด้วยความโลภแล้วก็ไม่ขี้เกียจห้ามยากนะถ้าไม่โลภมันก็ขี้เกียจอ่ะรู้สึกไหม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 ลูกค้าก็แน่นแน่นตเต็มร้านเลยหน่วยไม่รู้จะไปสักท<ฟ>ีชักหงุดหงิดแล้วอยากค<ฟ>ักแล้ว<ฟ>เบื่อรู้ว่าเบื่อเนี่ยดูความรู้สึกของเราเลยขายของหน้าบ้านไปแล้วแล้วก็ดูความรู้สึกของเราไปแ ต, <นะ S 1> แต่แต่บางทีไม่ไม่ค่อยโมโหลูกค้าโมโหคนที่บ้านเลยค่ะ <c oughs> โมโหให้ดูเอาคนเรามีจุดอ่อนนะจุดอ่อนข้อหนึ่งนะพวกเราทุกคนเลยนะสํานึกไว้นะเราชอบทําร้ายคนใกล้ตัว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 ถ้ติดสมถะพระอาจารย์บอกให้ไปดูคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบแล้วก็เลยไปหัดดูกายไงตอนนี้ดูเป็นบ้างยังคะตอนนี้ฮะอยู่คนี้พูดเร็วเร็วฟังยากที่ดูอยู่เนี่ยถูกบ้างยังคะว่าถูกสิมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วรู้สึกเปล่าใจมันโปร่งขึ้นมาเนาะโปร่งโลงเบาเป็นคนดูสบายๆดูไปเรื่อยๆนะถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์เนาะแล้วนั่งสมาธิได้ยังคะตอนนี้ได้ได้แต่อย่านั่งแล้วเคลิมนะ แล้วขนมันเหมือนมันตัวมันสูซ่าสูซ่าเป็นอาการอะไรไม่เป็นไรมีปิติก็แค่รู้ว่ามีปิติแลวกลคืนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับเลยมันเหมือนมันดูไม่หลับก็ดีได้นอนดูมันไปมีบุญอ้าวสี่สิบแปดกรรนามาตรการค่ะหลวงพ่อพอดีขนข้างๆนี้เป็นพี่สาว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 ห <c oughs> ลงคือว่ามันจะไม่สนใจเรื่องอื่น เ, <อ>เลยให้รู้ทันเอานะค่ะคือทําสมาธิทําทุกวันแหละไม่เลิกค่ะแต่ไม่ทำเราซึมทาด้วยความรู้สึกตัวหายใจไปรู้สึกตัวไปดูท้องไปรู้สึกตัวไปอะไรเงี้ย น, นะไม่ให้ขาดความรู้สึกตัวค่ะรู้สึกตัวเสร็จแล้วไม่อยู่ในชีวิตข้างนอกเนี่ยจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราคอยรู้สึกเอานะค่ะ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 เพราะว่าเวลาเข้าแถวครับครู บ, รบั ง, บงคับทุกเช้าไว้นั่งสมาธิแล้วก็เวลาท่านั่งเองจะนั่งเล่นนานๆแต่ถ้า ค, ครูบังคับนี่นั่งไม่ค่อยได้เลเหรอเพราะอะไรอะ่ะใจต่อต้านเหรอหรือเพราะไม่ชอบเสาธง<อ>หรื อ, อว่าเพราะถูกบังคับเลยไม่ชอบบางทีมันก็ร้อนรับร้อนมากมันอะไรนะร้อนร้อนมากเลยครับร้อนจริงหลวงพ่อเห็นด้วยเอางี้ไหนๆเราก็ต้องนั่งแล้วนะ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 เชนกับบ้าน